ญาติโมทั้งหลายซึ่งอยู่ในเพศคาวา น, นั้นบางคนก็มีหน้าที่การงานทำไร่ทำสวนบางคนก็ประกอบอาชีพการค้าหรือเป็นนักธุรกิจ ทำงานบริษัทต่ทางๆญาติโยมทั้งหลายก็มีจุดประสงค์ของการทําหน้าที่การงาน <c oughs> เพื่อขออาชีพ <c oughs> เพื่อความอยู่เป็นสุขมีจุดมุ่งหมายในการทําหน้าที่การงานของแต่ละบุคคลเขาก็เห็นประโยชน์ในการทํางานเพื่อการดําร ง, งชีต เพื่อความอยู่เป็นสุขในการที่ใช้ชีวิตอยู่ในเพศคารวานพวกเราทุกคนซึ่งอยู่ในเพศภาคกาศสวัพักพก็ต้องมีจุดมุ่งหมายหรือเห็นประโยชน์ของการเข้ามาบวดเข้ามาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของเขอรบพุทโธ ประโยชน์สูงสุดของพระบรมพุทธศาสนานั้นคือการทำให้แจ้งซึ่งพริานิพานหรือทำให้กิเลสหมดสิ้นไปจากจิตใจของเราอันนั้นคือประโยชน์ที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้าซึ่งเข้ามาบวชมาปฏิบัติธรรม ต้องมีจุดประสงค์จดมุ่งหวังแห่งการกระพือปักไม่ใช่ว่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ในแต่ละวันแต่ละคืนเราทุกคนจะต้องมีอ่บายปัญญาให้เกิดสตาธาความเพีย่ยนอยู่ภายในจิตใจงเราอยู่เสมอในทุกๆวัน เพื่อการที่จะประกอบความเพียรโดยไม่หยุดยันโดยไม่เบื่อหน่ายโดยไม่ท้อถอยการที่เราเข้ามาอยู่ในสำนักปฏิบัติซึ่งเป็นสถานที่สมบสงับพอสมควรเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ หน้าที่ของพราเมนคือการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์หรือทําให้แช้งถึงปานิพานเพราะฉะนั้นให้พยายามที่จะตาอรับความเพี่ยนอยู่ทุกๆวันไม่ท้อถอยไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวก็าตามหรือฤดูร้อนหรือฤดูฝนก็ไม่อ้างฤดูการอันเป็นสาเหตุหรือเป็นอุปสรรค ในการภาวนานัดปฏิบัตินั้นไม่มีการไม่มีเวลาทำปาลบความเพียนนั้นทุกๆวันไม่ท้อถอยถึงแม้ว่าฤดูนี้จะเป็นฤดูหนาวแต่เราต้องรู้จักมีเวลาปฏิบัติให้เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอเช่นบางท่านจะจำวัดสี่ถึงห้าทุ่น ตื่นที่สามก็ให้เป็นปกติแปลว่าถ้าเราอยากจะพ่อนไม่อยากจะตื่นตอนเช้านักเราก็ต้องนอนเด็กแทนอาจจะนอนห้าทุ่มที่หนึ่งตื่นที่สี่ทำลองนี้ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนเวลาให้เหมาะสมไม่ใช่ว่ารู้ดูหนาวก็พากันเกียดค้านไม่ลุกขึ้นเดหนึ่มนั่งสมาธิ กิเลสนั้นก็มีอุบายที่จะทําให้จิตแจเงเหล่านั้นท้อถอยในการพัฒน์ธรรมคือความเกิดการหรือหรือการที่จะนึกคิดปรุงแต่งเป็ น, นเรื่องต่างๆซึ่งเป็นเรื่องทางโลกหรือเรื่องไร้สาระอุบายของกิเลสนั้นมีมากถ้าสติปัญญานั้นไม่ทันต่ออารมณ์ทั้งหลาย จิตของเรานั้นก็จะตกเป็นทาตของอารมณ์ตกเป็นทาตของกิเลสตลอดกาลนานนับพบนับชาติไม่ดวนเพราะฉะนั้นการมาผ พ, พ้ปฏิบัตินั้นเพื่อรวนกระแสของจิตดวนกระแสของกิเล ส, ส, เ, ลสเพื่อที่จะทำลายกิเลสความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรากิเลสเกิดที่จิตก็ดับที่จิต เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติที่จะเฝ้าดูอารมณ์ในใ จ, จิตใจงเราหรือดูกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในใ จ, จงเราอยู่ทุกๆขณะจิตเท่าที่จะกระทาได้ถึงแม้ว่าในเบื้องต้นนั้นเราจะเผลสติบ้างหรือขาดสติไปบ้างแต่เราก็ต้องพยายามที่จะตั้งสติขึ้นมา อยู่เสมอเสมอเมื่อมีความระลึกได้ว่าตอนนี้เผลอสติในการพูดหรือในการกระทำในสิ่งที่ไม่สมควรเมื่อเรามีสติ ก, ก็ตั้งสติสติขึ้นมาปราลบความเพียนอยู่เสมอเสมอเพราะการที่จะทำให้สตินั้นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกบพลงคือจิตเป็นหนึ่งนั้ น, น, นก็ต้องปราลบความเพียนในการเดินกลมนั่งสมาธิ หรือมีสติควบคุมจิตใจของเราอยู่ทุกทุกเกียบทถ้าเผลอสติเราก็ตั้งขึ้นมาใหม่สำรวมจิตใจของเรานั้นให้อยู่ในความสงบอยู่เสมออย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวอยู่เสมอว่าให้สำรวมอินเสียงสมวรสำรวมใจให้เป็นกลางไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในรูปเสียงกิ่เรสัมผัส มีสติที่จะพิจารณาอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ให้จิตเป็นกลางอยู่เสมอความทริงการปฏิบัตินั้นก็มีแต่เรื่องการพิจารณาร่างกายขอยงเรานี้แหละและเรื่องการพิจารณาจิตใจของเรานี้แหละสองอย่างเท่านั้นซึ่งถ้ารวมย่นย่อลงมาก็เลยอแต่จิตถ้าเรามีสติ เพ้งดูจิตใจ เ, เราอยู่เสมอไม่ต้องสนใจจริยาของบุคคลอื่นเฝ้าดูจิตใจ เ, เราว่าจิตใจเรานั้นคิดไปนในเรื่องที่ดีหรือคิดไปนในเรื่องที่ไม่ดีถ้าเรามีสติเฝ้าดูเช่นนี้เราจะเห็นอาการของจิตเห็นอาการของกิเลสเห็นอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความกำหนดในการทั้งหลาย เพียงแค่ น, นี้เราก็จะรู้จักอารมณ์ถ้าเรามีสติกำกับดูแลจิตใจ เ, เราอยู่เสมอเราจะเห็นอารมณ์คือเห็นกิเลสเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของเราเมื่อเรามีสติเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจิตใจเรานั้นยังมีความโลภความโกรธราคะความกังวัดยินดีในกามทั้งหลายก็าตาม ถึงแม้ว่าเราจะยังชำระกิเลสให้ออกไปจากจิตแจงเรานั้นไม่ได้ก็ตามในเบื้องต้นแต่เมื่อเรามีสติเฝ้าดูจิตแจงเราอยู่เสมอเราจะเห็นความทุกข์มันเกิดจากความโลภความทุกข์มันเกิดจากความโกรธความอาคตาิบาทความทุกข์มันเกิดจากความกนัดยินดีในการทั้งหลาย ยินดียินร้ายในรูปเสียงกิเลสสัมผัสทั้งหลายเนี่ยสติเราจะเห็นจิตของเราซึ่งดิ้นหล่นกวัดแกว่งมีความเล่าร้อนภายในลมทั้งหลายซึ่งแผดเผาจิตแจงเหล่านั้นให้เศร้ามองเมื่อเรามีสติเฝ้าดูอยู่เสมอเสมอเช่นนี้เราจะเห็นว่าอันนี้แหละเป็นต้นเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ เมื่อจิตเราเห็นความทุกข์เนี่ยเราก็หาสาเหตุเห็นว่าต้นเหตุเกิดขึ้นก็วความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงทิ่เราสัมผัสทั้งหลายเมื่อเราเห็นเช่นนี้เราต้องการที่จะละหรือทําลายกิเลสให้สิ้นไปจากใจเรานั้นเช่นความโลภเกิดขึ้นเรารู้ว่าความโลภมันเป็นความทุกข์เป็นความเลวร้อนภายในจิตใจของเรา เราก็จะมีสติปัญญาที่จะหาอุบยในการที่จะชำระความโลภให้สิ้นไปจากใจของเราให้ได้อย่างเช่นเราก็มาบวชเราก็สละวัตถุธาตุทั้งหลายในการสแสวงหาทรัพย์ภายนอกสละความมีชีวิตครอบครัวเข้ามาบวชไปปฏิบัตินี้ก็ไม่มีอะไรพระเราก็มีแต่เพียงดยขานแป่ เมื่อเราไม่ต้องการวัตถุธาตุทั้งหลายภายในโลกนี้แล้วก็อย่าปล่อยจิตใจเรานั้นให้ฟุ้งซ่านปุุงแส่งไปในเรื่องของโลกบริขานแปดของพระก็เพียงพอในการระพฤติธรรมเพื่อความสิ่นทุกข์แล้วอาศัยปัจเจศีคือกีวรนบินทบาทเซนาสนะอย่ารักษาโลกพอสมควรมีความมักน้อยสันโดดพิจารณาปัจจศงศ์สี่ 4, เพียงเพื่ออาศัยอยู่เท่านั้น ทั้งปัจจัยทั้งสี่ก็เป็นเพียงท่าดินท่าน้ำท่าลมท่าไปและคนผู้อาศัยคือร่างกายเหล่านี้ก็เป็นเพียงท่าดินท่าน้ำท่าลมท่าไปอาศัยกันอยู่เพียงช่วระยะเวลาไม่เกินร้อยปีเท่านั้นถ้าเราสำรวมใจอยู่เช่นนี้ใงเหล่านั้นก็ไม่เกิดความโลภความทะเยอทยานจากได้ในวัตถุธาตุภายนอกอันไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อจิตใจเราสำรวมเส้นนี้อยู่เสมอใจเราก็มีความสงบเย็นเย็นไม่ขระวนกะวายในเรื่องวัตถุธาตทั้งหลายจำ ส, สติทำ ส, สมาธิไปได้ง่ายเพราะอารมณ์ความโลภนั้นไม่ก่อควรจิตใจเราจะเป็นอารมณ์เหมือนความโกรธหรือความอค่าภัยบาทก็ตามเราก็มีสติเห็นอารมณ์นั้นว่าเป็นความทุกข์ แล้วก็หาเหตุของความทุกว่าอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรในใจของเราเพออาราะอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสาเหตุเช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ต้องมีสติพิจารณาว่าความทุกแห่งความโกรธความไม่พอใจในรูปในเสียงนั้น ทำไมต้องเกิดขึ้นในเมื่อเราประพฤติบัตินั้นเราจะประพฤติบัติเพื่อละความโกรธให้สิ้นไปจากใจเราไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นรูปก็เป็นเพียงแต่ถ้าดินธาน้ำธาตลมธาไฟเท่านั้นแหละจะเป็นรูปบุนคคลทั้งหลายจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเป็นรูปวัตถุธาตุซึ่งไม่มีวิ ญ, ญญาณของก็ตามก็เป็นเพียงแต่ธาตุดินธาน้ำธาตลมธาไฟ เราจะมีความโกรธความไม่พอใจในรูปนั้นทําไมจะเป็นเสียงก็เหมือนกันเสียงคนพูดมาก็เหมือนอากาศหรือเป็นพายุหรือเหมือนลมเพื่อพัดผ่านมาและผ่านไปเกิดขึ้นแล้วกรดับไปหาสาระแก่นสารใด ไ, ไม่ได้เมื่อตาเรูปหูดินเสียงเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นทําไมต้องเก็บต้องกักขังอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไว้ ทำไมเราไม่ใช้สติปัญญาที่จะพิจารณาหาทางที่จะชาระอารมณ์ให้หลุดไปจากใจเงเราหรือให้สิ้นไปจากใจของเราถ้าเราทุกคนมีสติเฝ้าดูจิตใจเงเราอยู่เช่นนี้อยู่เสมออารมณ์ความโกรธความมาฆาเคยบานนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเพราะเรามีความตั้งใจอยู่เสมอว่าเราจะพยายามที่จะทําลายความโกรธ ให้สิ้นไปจากใจเราด้วยความมีสติมีปัญญาไม่ให้อารมณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เพียนพยายามที่จะดับอารมณ์นั้นเพราะอารมณ์ทั้งหลายเป็นสภาวะชรรมอันหนึ่งคือความเกิดขึ้นคือความไม่เที่ยงแล้วก็แตกสลายลงไปหรือความเกิดดับเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปถ้าจิตของเรานั้นไม่ยึดมั่นถือมั่น อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็เป็นตัวตนของเราอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็ไม่มีเจ้าของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรือเราจะใช้อุบายในการที่จะเจริญเมตตาอยู่ทุกๆวันตั้งใจจะให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่เสมออารมณ์ต่างๆก็จะบรรเทาวางลดเบาวางลงไปในทุกๆวันหน้าที่ของเราคือการชาระกิเลสให้สิ้นไปจากใจของเราเนี้ ถ้าเรามีสติมีปัญญาที่จะเฝ้าดูแลรักษากจิตใจองเราไปทุกๆขณะจิตเช่นนี้อารมณ์ต่างๆก็บรรเทาบางลงไปจะเป็นราคาความกนหนักยินดีในความทั้งหลายก็เหมือนกันซึ่งเป็นอารมณ์เป็นความต้องการของกิเลสซึ่งมีภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลาย ไม่ไว่าจะอยู่ในภพภูมิใดก็แล้วแต่เมื่อมีความกิเลสนั้นก็มีอารมณ์แห่งกวาม ร, ราคะความบั น, นดาลยินดีในการมทั้งหลายคือความต้องการทางเพศที่เป็นธรรมชาติแต่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาติของกิเลสซึ่งจะก่อให้เกิดภพชาติติดตามมานับภพบนับชาติไม่ตวนเพราะฉะนั้นเมื่อเราสละชีวิตออกจากเรือนแล้วเนี่ยไม่ของเรือนอยู่ในเพศคารว่า เราไม่ต้องการสร้างภพสร้างชาติต่อไปอีกแล้วในการสมมุติเรามาอยู่ในเพศสมณะเราก็ไม่มีคู่ครองไม่มีครอบครัวปฏิบัติไปแต่เพียงลาพังเพียงผู้เดียวเมื่อเราตั้งใจเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็มุ่งหวังที่จะทำลายกวามราคะหรือความต้องการทางเพศให้สิ้นไปจากใชงเราสติปัญญา ซึงเฝ้าดูจิตใจเหล่านั้นเมื่อเกิดมีความต้องการความราาังคะความกังวลยินดีในการมทั้งหลายเราก็ต้องใช้สติที่จะเห็นว่าอันนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่หรือเป็นความเล่าร้อนที่เผาลนจิตใจเราไม่ใช่หรือเราก็จะไม่เก็บไม่กักขังไว้เมื่อเกิดมีความยินดีในรูปยังไม่เกิดกรรมรังคะก็ตามหรือเกิดละกรรมรังค์ขึ้นมาก็ตาม ก็ต้องมีสติอดทนอดกั้นต่ออารมณ์นั้นใช้ปัญญาพิจารณาหาอุบายที่จะละอารมณ์เหล่านี้ให้สิ้นไปจากใจกเราด้วยการพิจารณาร่างกายเรานี่แหละพิจารณาในอาการสามสองหรือธาตุกรรมฐานเหลือสุภาพกรรมฐานเนี่ยก็พิจารณาให้เห็นความจริง หรือพิจารารูปที่เราเห็นที่เกิดความยินดีในรูปหรือเกิดความกำหนัดในในรูปนั้นพิจารณาให้เห็นรูปนั้นให้เป็นอสปาร์กำฐานหรือทาตุกำฐานสติปัญญาซึ่งเข้าไปพิจารณาก็จะเกิดความสดสมเวทเมันเกิดความสดสมเวทในร่างกายบุคคเหนในร่างกายของเราจิตของเรานั้นก็จะเกิดปิติ เกิดการปล่อยวางอารมณ์นั้นออกไปจิตเราก็เป็นการเป็นอุเบกขาทำเกิดขึ้นมาทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆเมื่อขณะจิตใดซึ่งเรามีอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นหรือว่าบางครั้งอารมณ์การางังคาไม่เกิดขึ้นภายในใจ เ, เราก็เหมือนกันเราก็ต้องฝึกซ้อมที่จะพิจารณากายคตาสติเ ด, ดสุภกรรมฐาน พิจารณาล่างกายในกายตนนี้อยู่เสมอเสมอทุกๆวันถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ภายในใจิตแจงเราเหมือนกับน้ำน้ำซึ่งต่าที่ฝ่าเท้าเราหากาอยู่นั่นถ้าเราเดินไปเหยียบเอาของแข็งก็เกิดปวดเกิดระบมขึ้นมาเกิดมีความเจ็บปวดขึ้นมาถ้าเราไม่บ่งน้ำออก มันก็จะเจ็บปวดอยู่นั่นทรามานจิตใจอยู่นั่นความรางคาก็เหมือนกันซึ่งเผารนภายในจิตใจเงเราถ้าเราไม่ถอนออกจากจิตใจเงเรานั้นก็จะเกิดความเล่าร้อนเกิดความกวนวายเกิดความทุกข์นับภพบนับชาติไม่ด้วนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเอ้าดูใจแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น่ะเราจะเห็นกิเลสเห็นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นกิเลสเนี้ย เกิดขึ้นภายในจิตของเรานี้แหละสติซึ่งจะเฝ้าดูหรือเห็นรู้เท่าทันอารมณ์นั่นได้ทันก็ต่อเมื่อเราทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆในทุกๆวันต้องเป็นผู้ซึ่งปราศความเพียนมีโอกาสมีเวลาทำกิจตุละ ส่วนรวมเสร็จแล้วเนี่ยจิตส่วนรวมเสร็จแล้วหรือส่วนตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีเวลาเราก็เข้าที่เด่นยุกรมอยู่เสมอเสมอสำรวมสติสมาธิอยู่กับกรรมฐานที่เราพาวนาเมื่อออกจากทางเด่นยุกรมก็มีสติกำกับจิตแจขงเราไปตลอดทุกๆขณะจิตไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งหรือนอนหรือทําอะไรก็แล้วแต่มีสติ ที่จะเฝ้าดูจิตใ จ, ใจเราทุกๆขนาดจิตเมื่อเราอยากจะสํารวมจิตใ จ, ใจเรานั้นให้เรียกขึ้นไปเราก็สํารวมในบทนั่งสมาธิภาวนากำหัดสติทำสมาธิภาวนาไปตามระยะเวลาที่สมควรยิ่งเราอยู่ส่วนตัวอยู่ที่คติของเราซึ่งเราก็ไม่ได้รวมเช้าวรวมเย็น เรามีโอกาสที่จะนั่งสมาธิโดยไม่มีคำนดก็ได้ทำสมาธิไปเรื่อยๆถ้าเราทำเช่นนี้อยู่เสมอๆมีความปาลครบความเพียรอยู่ทุกๆวันเหมือนกับญาติโยมเขาซึ่งเขาทำงานหัังโลกทำงานจนถึงจ น, นจนถึงสุขเขาก็เห็นประโยชน์ของการทำหน้าที่การงานเราเป็นพระไม่ใช่ว่าฉันแล้วก็นอน แล้วก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปกับลมทั้งหลายหน้าที่การ ง, งานของเรานะคือทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสหรือทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากใจองเราถ้าเราพะลบความเพียรอยู่ทุกๆหวันเช่นเนี้ยมีโอกาสมีเวลาก็เดินถึงกรมนั่งสมาธิทำสมาธิให้ต่อเนื่องสติก็ตั้งมันนมมงม่นขึ้นมาเมื่อสติตั้งมั่นขึ้นมา มันก็เห็นอารมณ์เห็นกิเลสอย่างหยากอย่างกลางอย่างละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆบางครั้งในเบื้องต้นสติปัญญาอาจจะไม่ทันต่อลองเราก็รู้ว่าจิตของเรานั้นตกเป็น่าตของอารมณ์ตกเป็น่าตของกิเลสสติปัญญาไม่ทนันเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นพยายามที่จะเด็นยิ่งขมนั่งสมาธิให้มากทาให้มากจเจริญให้มาก ถ้าเราทำให้ต่อเนื่องเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันสมาธิก็เกิดขึ้นจิตใจเราก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับลมทั้งหลายจิตเป็นหนึ่งเป็นในกระตาลมจิตเป็นหนึ่งมีสติอยู่กับจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเมื่อตายเห็นรูปเกิดความพอใจเกิดขึ้นเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติจะเห็น อาการเหล่านั้นและกัญญาจะเข้ามาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของลูกอ น, นั้นสติสัตติก็เป็นกลางอยู่ในปฏิบันาธรรมละวางความพอใจความไม่พอใจในลูกเงินเสียหรือหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติซึ่งฝึกดีแล้วก็จะมีสติลูยเท่าทัน เมื่อเกิดความพอใจหรือความไม่พอใจในเสียงสติปัญญาก็จะเข้าพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของเสียงอันนั้นจิต ก, ก็เป็นการจิต ก, ก็เป็นหนึ่งอยู่เสมอ เ, เมื่อจิตเป็นหนึ่งอยู่เสมออารมณ์ซึ่งกับเพื่อที่ใจทุกทุกขณะจิตมันก็จะเห็นได้ชัดโดยปกติแล้วในเบื้องต้นก็จะเห็นอารมณ์อย่างยาคือความโลภความโกรธความมาฆาตไถบา อาฆาตความวณัดยินดีในการทั้งหลายสตยิซึ่งฝึกดีแล้วก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เมื่อเห็นอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นความทุกข์ก็จะคน้นคว้าหาเหตุของความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์นี้อยู่เสมอๆความจริงการปฏริบัติธรรมหรืออริยมรรคในเบื้องต้นนั้นก็คือการดําเนินในศีลสมาธิปัญญานี้แหละ ทำให้เป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอเมื่อเราพิจารณาเช่นนี้อยู่เสมอๆพิจารณาร่างกายของเราให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้มีสติมีปัญญาพิจารณาหเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอยู่เสมอๆนะจิตของเราเนี้ยก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมา เป็นมรรคปฏิปทาพิจารณาความโลภเห็นความไม่เที่ยงของความโลภวันนั้นและปล่อยวางออกไปพิจารณาเห็นความโกรธมีสติมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่มมตัวตนของอารมณ์ันนั้นมีราคาความมโหนัดยินดีนในการมทั้งหลายก็มีสติมีปัญญาพิจารณาที่จะละอารมณ์นั้นออกไปจากใจองเรา เมื่อจิตว่างจากลมทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องก็เพ่งเพียรที่จะพิจารณากายในกายตนนี้ให้เห็นชัดตามความจริงว่าร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้ น, นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละจะพิจารณาในอาการสามสองเรือสภากรรมฐานหรือธาตุรรมฐานก็ตาม มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่มมตัวตนของกายนี้อยู่เสมอๆในทุกๆวันหรือทุกๆขณะซึ่งเกิดอารมณ์หรือเกิดกิเลสเขึเ้นไม่ใช่ว่าจะพิจารณาครั้งเดียวก็จะหยุดถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจของเราเราก็ต้องมีความภาคเพียรที่จะพิจารณาอยู่เสมอๆ พิจารณาจนหมดความสงสัยหรือมีสตินิปัญารู้เท่าทันความจริงในเบื้องต้นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เราก็จะรู้ธรรมิธรรมคือจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในเบื้องต้นได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นได้ในเบื้องต้นอย่งหยาบนะความโลภความโกรธ ความหลงก็จะบรรเทาบางลงไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปโลกไปให้เจ็บเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจก็ไม่หวั่นไววหวมรณะภัยจะเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจก็ไม่หวั่นไหวมีสติมีปัญญารู้เท่าความจริงอยู่เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จิตขงเราเห็นแตกก่อนแตกเห็นตายก่อนตายแล้วจิงเราก็ไม่หวั่นไหว มีสติรู้อยู่เสมอเมื่อสินงสมาธิปัญญารวมตัวเช่นนี้เห็นร่างกายชัดในเบื้องต้นเนี่ยก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภความโกรธรางกายความกหนักยินดีในการทั้งหลายให้มันเทาวางไปผลที่เกิดขึ้นก็คือความสงบเย็นใจไม่มีความทุกข์ เกิดขึ้นอยากได้วัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีความทุกข์อันเกิดขึ้นจากความมาคาตไฝบาทถึงแม้ว่าจะมีความโกรธก็ตามก็ปรรเทาบางหรือละไปได้ง่ายความทุกข์แป็ความขนาดดนดีในการทั้งหลายในความต้องการก็น้อยลงไปมีแต่ลมท้่เกิดขึ้นและมีปัญญาที่จะหาทางที่จะิจาาให้บรเาบางไปได้ กาการพิจารณาในมัคในระดับต่อไปก็พิจารณาอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่แหละเนินเนินในศีลสมาธิปัญญาพิจารณาเหมือนเดิมประพฤติบัติเหมือนเดิมแต่อารมณ์นั้นละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดตามไปก็จะเห็นอารมณ์ภายในจิตใจซึ่งยังล้ไม่ได้ซึ่งเป็นชวดละเอียด ความโลภความทะเยอทะยานเล็กเล็น้อยแต่จิตนั้นก็ยังติดอยูย่ในลาภยศสรรเสริญแต่ก็บรรเทาบางไปความโกรธความไม่พอใจก็เล็กน้อยสติปัญญาก็เข้าพิจารณาเตาะพิจารณาลมในในใจเรานี่แหละเมื่อเวลาว่างก็ย้อนมาพิจารณากายในกายตนนี้ให้เห็นละเอียดลงไปพิจารณาให้ลอกรู้ในกายตน เพื่อที่จะให้จิตนี้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนให้ได้ถ้ามัศมังจีรวมตัวคือสินสมาธิปัญญารวมตัวด้วยการพิจารณาซ้ำๆซึกๆจิตก็จะปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายในร่างกายต น, นยในส่วนที่สองได้ในส่วนกลางเนี่ยคือร่างกายเราเนี่ยการพิจารมีถึงสามระดับ พิจารณาในเบื้องต้นอย่างหยาบละความยึดม enfin, ั่นถือมั่นในเบื Lake ้องต้นพิจารณาในส่วนกลางละความยึดมั่นถือมั่นในส่วนที่สองคือส่วนกลางในร่างกายของเราส่วนที่สามคือร่างกายซึ่งส่วนละเอียดซึ่งจิตเรามีความยึดมั่นถือมั่นในส่วนละเอียดมีสามส่วนเท่านั้นแหละแต่เมื่อเรามาพิจารณาซ้ำซ้ำซากซากอยู่ถึงเรื่องร่างกายเราในส่วนกลางเมื่อจิตเห็นชัด ก็จะปล่อยวางความโลภให้บรรเทาบางไปอีกละเอียดลงไปอีกอารมเหมือนความโกรธความไม่พอใจก็จะน้อยลงไปอีกความยึดพั่นถือมั่นในกายตนก็จะน้อยลงไปอีกมันละเอียดใกล้ ก, ลกันอารมณ์ก็เหลือแต่เพียง แ, แต่เบาแค่นั้นละไม่รุนแรงจะเป็นความไม่พอใจก็เพียงเล็กน้อยไม่นานก็ดับไป ความยิดมั่นหรือมั่นในกายตนก็เหลือน้อยเลยียดลงไปแต่สติปัญญาก็เข้าพิจารณาส่วนเอียเนี้ส่วนใหญ่แล้วเมื่อํำนานในการพิจารณากายคถาสติกก็จะละวางไปเมื่อมาชำานาญขึ้นมาพิจารณาสภาพธรรมฐานก็จะละวางไปส่วนใหญ่แล้วพิจารณาร่างกายในส่วนลเอียนนี้จะพิจารณาในธาตุธรรมฐานเพื่อให้จิตเข้าไปสู่ความว่า ของความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อพิจารณาเข้าไปเช่นนี้อยู่เสมอด้วยความมีสติมีสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ในทุกทุกเหตุบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่จะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นบางทีจิตอาจจะทรงอยู่ในอารมณ์แห่งความสุขของสมาธิหรือเบิกขาของสมาธิในทุกทุกเหบท ส่วนอารมณ์ของปิตินั้นก็ผ่านไปแล้วจิตซึ่งจะพิจารณาร่างกายส่วนเหรียญนี้ส่วนใหญ่จะส่งอยู่ในอารมณ์แห่งความสุขของสมาธิหรือเบคาของสมาธิแล้วแต่กําลังแต่รูปคลเพราะฉะนั้นสติปัญญาจะพิจารณาร่างกายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทําอะไรสติปัญญาจะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาก็เห็นได้ชัดเพราะความชํานาญ แห่งการพิจารณาตั้งแต่เบื้องต้นหรือท่ามกลางเมื่อมาพิจารณาในจุดทสุดท้ายก็จะมีความสํานานในการพิจารณาธาตุกรรมฐานจิตก็จะรวมไปสู่ความว่างปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในข่ายตนแม้ในเบื้องต้นนั้นก็เพียงชั่วข่าวเท่านั้นแหะแต่พิจารณาอยู่เสมอๆจนเห็นชัดมันก็ค่อยๆปล่อยวางไปเทียบเล็กทีน้อย จนมรสมังคีรวมตัวที่ท่านสมมติสิมสมาธิปัญญารวมตัวเป็นหนึ่งเดียวเมื่อจิตเห็นชัดในการพิจารณาร่างกายซ้ำซ้ำซากซากจนชัดเจนทั่วถึงแล้วไม่ว่าจะเป็นร่างกายอดีทร่างกายในอนาคตหรือกายในกายตนในปัจจุบันสติปัญญาที่เข้าไปพิจารณาเมื่อเห็นชัดขั้นสุดท้ายก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดนี้ได้โดยเด็ดขาด เมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้โดยเด็ดขาดเพราะเห็นว่าร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยท่านดินท่านน้ำท่านลมท่านไฟเท่านั้นไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เมื่อจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเราแล้วร่างกายบุคคลอื่นก็เป็นแต่เพียงท่านดินท่านน้ำท่านลมท่านไฟเหมือนกันยิ่งไม่ค่อยข้องเกี่ยวเท่าไรเพราะเป็นร่างกายบุคคลน่้ จิตไม่ค่อยมีอุปทานยึดมั่นถึงมั่นเท่าไรเรื่องวัตถุาธาตุเหมือนกันก็ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากซึ่งไม่มีวิญญาณคลองก็ยิ่งปล่อยวางได้ง่ายก็เห็นแต่เป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจะเป็นทองคําเพชรนินจินดาอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มีค่าที่คนสมมุติขึ้นมาจิตก็จะเห็นเป็นแต่ว่าสัตว์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นบางกรูบาจารย์ยังกล่าวว่าโลกทั้งโลกนี้ราบเรียบเป็นหน้ากองชัยจิตมองไปบางททะลุไปเป็นความว่างเพราะวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้สิ่งที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่ชีวิตนั้นจิตมองทะลุไปปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลนี้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตเลยว่าง คามจากความยึดมั่นถึงนั่นในกายตนจิตจริงอยู่กับความว่างของจิตแต่ยังไม่ว่างจากกิเลสส่วนละเอียดแม้นว่างในส่วนนี้เนี่ยจิตก็มีความสงบยือกเย็นเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นไม่ใช่สุขของสมาธิแต่เป็นสุขของปัญญาเป็นความสุขของปัญญาในการที่ดับความโลภให้สิ้นไปจากใจเป็นความสุขที่ดับความโกรธให้สิ้นไปจากใจ เป็นความสุขสงบขึ้นดับกาม ร, ราคะให้ซิ่งไปจากใจความสงบความเยือกเย็นเนี่ยใจจึงเกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนแต่ขนาดนั้นก็ยังมีกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตอีกซึ่งเป็นกิเลสในความหลงส่วนละเอียดเนี่ยนั้นในสมมตินี้ท่านพิงว่าเมื่อละลูกได้แล้วเนี่ยก็จะมีจิตยังยึด หลงยงในเวทนาของจิตหรือสัญญาของจิตหรือสังขารของจิตวิญญาณขงจิตซึ่งเป็นความหลงทุเรียนสติปัญญาก็ต้องพิจารณาต่อไปให้เห็นเป็นไปลักให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาถึงกระทั่งปล่อยวางในที่สุดเพราะนั้นเรื่องของคุณธรรมเบื้องสูงนั้นก็จะไม่กล่าวถึงให้เรียนนะักเพราะว่พวกเราทุกคนนั้น ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงสภาวะเช่นนั้นในเบื้องต้นนั้นเอาแต่เพียงว่าทำอย่างไรถึงจะละความยึดมั่นถือมั่นในร่างก็กายตนให้ได้คือเข้าไปสู่สิ่งที่สมมุติคือพยาบุคคลเบื้องตน้นคือพระโสดาบันเนี่ยแต่งน้อยที่สุด เราต้องทํากิตของเรานั้นให้ถึงสภาวะเช่นนั้นเพราะบุคคลใดซึ่งเข้าไปทํากิจให้ถึงพยามากรยะผลในเบื้องต้นเนี้ก็จะไม่มีชาติที่แปดเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามที่จะภ้าเปลี่ยนพยายามในการที่จะเอาลบความเปลี่ยนโดยเสมอในทุกๆวันบางครั้งการปฏริบัตินั้น ก็เกิดความท้อถอยหรือเกิดความขี้เกียจก็เป็นธรรมดาของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราแต่เราต้องมีสติมีปัญญาที่จะหาบายให้เกิดสัาธาความเปลี่ยนที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในใจของเราอยู่ทุกๆวันยิ่งความจริงนั้นเรามาอยู่ในวัดหรือในเสนาสนะที่สงบเช่นนี้ โอกาสแห่งการมมเปล่นเนพียนอานายิ่งมีมากถ้าเรารู้จักสัมรวมสติสมาธิปัญญาอยู่เสมอๆเนี่ยบูคณะก็ไม่มากนะักกิจการงานภายนอกก็ไม่มากนะักเราอยู่ในเสนาสนะที่สงัดก็คือปาราลบความเพียรให้ยิง่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราทําเช่นนี้อยู่เสมอๆทุกๆวันน่ะสมาธิก็เกิดขึ้น เมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็มีความสงบเยือกเย็นใจในระดับหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของพระเราแต่เรามุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสหรือดับกิเลสไปในใจเราเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาอยู่ทุกๆวันเพื่อที่จะทำลายหรือละความโลภความโกรธความหลงให้มันเทาบางไปหรือให้สิ้นไปจากใจเราผมว่าเราทุกคนถ้ามีความตั้งใจเช่นนี้ ก็สามารถที่จะลากกิเลสให้สิ้นไปจากใจองเราได้แต่การที่จะทำให้การภาวนาเสื่อมถอยไปก็เกิดขึ้นจากการคุกคีด้วยหมู่คณะหรือว่ามีหน้าที่การ ง, งานภายนอกมากมายิงเกินไปนักหรือการไม่สำรวมในการปฏิบัติ ถ้าเราพยายามที่จะตั้งใจปราลบความเปลียนอยู่เสมอสมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพึงพยายามอดทนมีสติมีปัญญาในการที่จะทําความเปลี่ยนทุกๆวันโดยไม่ท้อถอยไม่ว่าอากาศจะหนาวเราก็ต้องรู้จักฝืนในการปฏิบัติถ้าวันนี้เรานอ น, อนมากพรุ่งนี้ก็ต้องฝืน ตั้งใจว่าเราจะนอนให้น้อยลงถ้านักปฏิบัตินี้ในเบื้องต้นเนี่ยอาการหนาวก็ตามก็ต้องตื่นมาที่จะตามเวลาของเราที่เรากําหนดเช่นกําหนดตื่นที่สามก็ต้องตื่นที่สามแต่ถ้าเราจะผ่อนลงไปหน่อยตื่นที่สามคึ้นที่สี่เราก็ต้องนอนที่เด็กหน่อยคือว่าให้ทันต่อกิเลสอยู่เสมอให้ทันต่อลมอยู่เสมอ ให้มีสติมีปัญญารู้เท่าทันกระบวนการของจิตอยู่ทุกๆขณะจิตเราจึงจะสามารถที่จะเอาชนะอิเล็เอาชนะอารมณ์ไปในใจงเราได้ความจริงเรื่องการปฏริบัติเราก็ได้ยินได้ฟังมามากแล้วล่ะเดี๋ยวในการที่เราทุกคนนั้นจะตั้งใจกระทาความเพียนกันขนาดไหน ัวบายต่างๆก็ได้บอกหรือว่าได้แนะนำพอสมควรเราต้องพยายามที่จะฝรีดุบายให้เกิดศรัทธาความเปียยนกันขึ้นมาเองบ้างความจริงนั้นถ้าเรากาหนดปากลงไปถึงการพิจารณาเมลานามกตินุสติหรือความตายอยู่เสมอเนี่ยอันนี้ก็จะให้ทำให้จิตใจเรานั้นปาศกความเปี่ยนอยู่ทุกๆวัน ถ้าเราตั้งใจสมมติสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเราให้ได้ว่าชีวิตของเรานั้นสั้นนะักไม่รู้ว่าจะร่วงพ้นคืนนี้ไปได้หรือเปล่าถ้าเรากำหนดแต่เพียงเท่านี้ทุกๆวันผมว่าเราทุกคนจะต้องเดินก้มนั่งสมาธิกันให้มากยิ่งที่ขึ้นไปแน่นอนแต่สดแต่แล้วจะคิดไปถึงเดือนหน้าปีหน้าพรรษาหน้า ไม่คิดถึงว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นอนหลับคืนนี้อาจจะไม่ตื่นตอนเช้าก็ได้เพราะฉะนั้นให้พยายามที่จะพารลบความเปลี่ยนโดยเสมอๆไม่ท้อต่อยในทุกๆวันก็ให้ความคิดเห็นแต่พวกเราพอสมควรก็ขอหยุดที่เปลียเท่านี้ สาธุสาธุสาธุสาโมทาธใครมีปันหาเรื่องการภ อ, อนาว้างไหม ความจริงอยู่กัน น, น้อยๆลูกนี่ก็ดีพากันปรรลุความเปลี่ยนได้มากสิ่งที่จะทำให้จิตใจพระเสื่อมจากการภาวนาก็คือยุ่งเกี่ยวกับการงานมากจนเกินไปงานไปนอกขึ้นไม่มีไม่เกี่ยวกิตยุ่งเกี่ยวกับญาติโยมมากเกินไปนี่ถ้าเป็นพระลูกวัดพระกุนน้อย ยังไม่มีหน้าที่พาระรับเป็นเจ้าสํานักอันต่างโอกาสพอนานมีมากหน้าที่การงานในการขอสร้างก็ไม่ต้องรับพาระเลยมากมายนะการข้องเกี่ยวกับเจ้าโ ย, ยมก็ไม่ค่อยมีนี่ถ้าเรารู้จักเล่หเล่นพอนามก็เป็นไปได้ง่ายเพราะไม่มีภาระเลย น, นี้หมู่คนาซึ่ง ไม่เจริญในการภาวนา น, นั้นก็เพราะว่าบางทีไปยุ่งเกี่ยวกับการขอสร้างมากไปนักไปคุกคีด้วยกับครอบครัวหรือตระกูลต่างๆในด้านโยนต่างๆทําทให้เป็นความกังวลเป็นความกังวลภายในจิตใจนเนี่ยพอเกี่ยวข้องกับตระกูลทั้งหลายการภาวนานก็ ไม่ขานาไม่เป็นไปในสมัยก่อนค ร, รูบาอาจารย์เด็กเล่นจากตระกูลญานโยมทั้งหลายเด่กเล่นอยู่ตามป่าบนเขาในถ้าไม่ต้องการรู้จักใครมากพอบินตาบดพอเล้ยงขี้ยิ่งกันไม่ต้องพูดมากหรือต้อนรับญาติโยมยิ่งดีมีแต่วันและคืนมีแต่เรื่องของการภาวนาสมัยก่อน ถึงไปไปฏิบัติภาวนาเห็นผลได้ง่ายไม่เหมือนทุกวันนี้เราพระเราไม่กี่ครรษาบาทีก็รู้จักญาติโยมกันมากรื้จักโยมคนนั้นคนนี้นั่นแหละคืออุปสรรคในการภาวนาถ้าพิจารณาให้ละเอียดก็จะเห็นแต่พิจารณาไม่ะเอียดก็จะเป็นกิเลสซึ่งละเอียดหรือยาว ตามแต่ภูมิจิตของใจทุกคนอันนั้นแหละคืออุปสรรคที่จะทําให้การภาวนามไม่เป็นไปเพราะฉะนั้นในสมัยหลวงพ่อชาไม่ต้องพูดในสมัยหลวงปู่มัน่นซึ่งผ่านมานานสมัยหลวงพ่อช า, นะาเนี่ยพระเณรที่อยู่ในสํานักของท่าน่ะไม่เค่อยได้ข้องเกี่ยวกับยญาตโยมส่วนใหญ่ก็เป็นหลวงพ่อชาเป็นผู้ทึ่ง ละพละเดี๋ยวป้องกันระวังภัยให้กัลูกศิษย์นี่พระซึ่งไปอยู่ในสำนักเนะี่ยถ้าตั้งใจภาวนานก็จะไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักแม่ชีไม่รู้จักญาติโยมลูกศิษย์หลวพ่อชาไม่รู้จักใครเลยนอกจากเพื่อนสามีบ้างบางกลุ่มบางคนแล้วผลิตเล่นต่อนานแค่นั้นแนหะและไม่สนใจที่จะรู้จัก ตาพระที่ตั้งใจบัดรภาวนานะ่ไม่ก็ไม่มีความกัวลในเรื่องการงานไม่มีความกัวลในหน้าที่ที่จะไปเปผยแพร่อะไรไม่มีความกัวลในการที่จะติดต่อญาติโยมทั้งหลายการภาวนาจึงเป็นไปได้โดยง่ายสําหรับพระซึ่งมีความตั้งใจหรือจะพูดถึงสมัยหลวงปู่มั่นเหมือนกันยิ่งท่านยิ่งเด็กเล่นหนักเป็นไปอีกอยตามป่าตามค้ำตามเขาตามทัม้ง แต่ภาคเราทุกวันนี้ที่ไปปฏิัติภานาไม่ค่อยรู้ทําเห็นทำรรไม่ค่อยได้ผลก็เพราะว่าปล่อยใ จ, ใจิตใจไปกับเรื่องทางโลกมากจนเกินไปบางทีไม่กี่รรษาหรือยังไม่มีธรรมไปในใจก็ไปตั้งวัดไปมุ่งก่อสร้างวัตถุไปตั้งวัดมุ่งก่อสร้างมากๆแต่ยังไม่มีหลักภไยในใ จ, ใจิตใจ ก็เสียหายอย่างที่เราเคยดียนในไดฟังผ่านมาหรือว่าไปติดต่อรูจ้จักญาญโย ม, มากๆการภาว น, นาก็ยังไม่มีหลักก็เสียหายนั่นแหละหรือว่ามีพรรษาไม่มากหรือมากก็แล้วแต่อยากรู้จักญาญโยตระกูล น, นั้นตระกูล น, นี้ไปข้องเกี่ยวกับญาญโย ม, มากๆเสียาการภาวนามมด ไม่ขอให้เกิดสมาธิไม่ขอให้เกิดปัญญาแต่ไม่รู้ตัวหรอกผู้ซึ่งไปเกี่ยวข้องอกับตระกูลทั้งหลายไม่รู้ตัวว่าจะเป็นสิ่งซึ่งทําให้เสื่อมสมาธิปัญญาส่วนใหญ่จะมีความพอใจว่าได้รู้จักตระกูลนั้นตระกูลนี้ได้รู้จักญาติโยมคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นจึงทําให้การภาวนาทอถอยหรือเสื่อมถอยหรือเสียหายได้ พระในยุคปัจจุบันเนี่ยจึงไม่ค่อยจะรู้ทาเห็นทำกันก็เพราะแบบ น, นี้เลยเถ่วนมากที่เห็นพระพระท่านใดตดกเล่นมันเป็น เ, นเนพนียนตอนาไม่ค่อยอยากยุ่งกับญาติโยมหรือหมู่คณะมากมายนะักที่ตั้งใจการกับพิธีาอนาอยู่ในสถานที่สงบสงัดอาลบความเปลี่ยนอยู่เสมอนั่นแหละ จะทําให้จิต ใ, ใจรู้ทำเห็นรมได้โดยง่ายถึงแม้ว่าจะปาลุความเพี่ยนปีหนึ่งก็แล้วไม่รู้ทำเห็นทำสองปีก็แล้วห้าปีก็แล้วสิบปีก็แล้วก็ทําความเพียนไม่หยุดถ้ายังไม่รู้ทํำเห็นทำไปตามใดก็จะทําความเพี่ยนไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตนั่นแหละนั่นแหละนักปฏิบัติให้จะสํารวมจิตใจใจนะุดใน ที่สงบสงัดเสรนาสถานที่สงัดอยู่เสมอปานลบความเปลี่ยนไปแั่ น, นั้นแจตู้ใจเหตุผลขึ้นไปเรื่อยๆมี่้าที่เสียหายส่วนใหญ่จะไปทิงสกรนางอันมาแค่เสียหายจะไม่ค่อยได้ไประโยชน์เป็นชิ้นเป็นนันเพราะนั้นอยู่ในสมัยลงพระชาจึงพ้าบางงง ไม่เคยรู้จักไม่ชีเลยไม่เคยรู้จักลูกศิลป์หลวงพ่อชาเลยเขาหลีกเล่นภาวนาอย่างเดียวยังทําแบบนั้นแล้วก็ได้ประโยชน์แค่ตัวของท่านเองผมว่าถ้าคนอยู่ที่นี่ลองสังเกตดูคลางคืนเขาเงียบสงัดถ้าตื่นมาตีสองตีสามเขเงียบสงัดสงบ ความมิเดหรือความสงบเป็นพัฒนาขบงที่สุดนะ้วถ้าเรารู้จักนั่งอยู่เฉยๆที่กตฏิที่ระเบียงในในห้องปล่อยวางอารมณภายในใจเราไม่ต้องคิดอะไรมันก็สงบแล้วละ่ะเพราะว่าความสงบจากสถานที่มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแล้วเรากำหนดกรรมฐานที่เราภาวนาจิตก็ยิ่งสงบไปใหญ่ น่นความสงบนั้นความจริงถ้าเรารู้จักทาความเห็นให้ถูกต้องเราไม่ต้องไปหาความสงบที่ไหนอยู่ที่ใจเราความไม่สงบก็อยู่ที่ใจเราเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องจริงใจชำระความไม่สงบบอกจากใจเราได้